พร้อมแล้ย่งรับพรในวันนี้เป็นวันวันที่หตั้งแต่หลวงตาละสังขารหลวงตาละสังขารวันที่30มสบมกราสกราัหราเวลาตีส3หสาวันนี้ก็เป็นวันที่สี่ กลุ่มพาพันพุทธศักราช2554เป็นเวลา6วันงานของพวกเราคณะสัตยาติยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าได้มาร่วมงานทางด็อเตอร์ท่านจากมาจากสำนักพระราชวังและก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ทัพภาคหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยได้มาให้ความร่วมมือดีมาก คณะสงฆ์ก็มีครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่มาร่วมจัดงานแล้วก็หลวงปู่หลีของเราเนี่แหละเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่เป็นหลักให้ลูกหลานได้เ ย, ยึดยแล้วก็ขอประกาศให้คณะทศไทยญาติโยมที่อยู่ทางไกลโดยเฉพาะอย่างที่ที่รักเคารพในองค์หลวงตามาเก่าแก่นมนานโอ้งานของหลวงตาเนี่ยไปถึงไหนแล้วนาะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคณะสัตยา ญ, ญาติโยม เ, เก่าแก่ที่รักเคารพในองค์หลวงาตาลูกหลานในขณะนี้จะทําดีที่สดุดจะให้เป็นแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงาตาก็จะเรียบง่ายแต่กเ็เป็นการเรียบง่ายแต่ก็สวยงามให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวิ น, นัยหรือถูกต้องตาม แนวปฏิปทาขององค์หลวงตาที่ท่านเด่นแนะนําสั่งสอนเอาไว้แล้วก็เรื่องพระราชทานเพลิงศพองค์หลวงตานั้นก็มีคนถามเข้ามามากบางทีก็ออกทัางสื่อต่างๆแต่ขณะหลวงพ่อเองที่อยู่ในวัดนี้ก็ได้รับทราบเป็นระลอกระลอกเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองขอประ ก, กาศให้กับนักศร้ายญาติโยมทุกท่าน งานพระราชทานเพลิงศพนั้นยังไม่มียัง ไ, ยงไม่มีวันแต่กี่ว่าเรากะไว้วันที่5หรือวันที่12แต่เขาคงจะเป็นช่วงนี้แหละแต่เดี๋ยวนะี้ยังนะยังยังไม่กดยังไม่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนไปนั้นขอให้ขอประกาศให้คณะสัาย า, า, าติยมทางอยู่ใกล้อยู่ไกลทุกแห่งที่ได้รับทราบเลยยังยังไม่มีที่ชัดเจน แต่ก็คิดว่าคงไม่นานนี้แหละคงจะรับทราบในเมื่อทราบข่าวชัดเจนแล้วหลวงพ่อจะประกาศให้คณะท ศ, า ศ, าศาัทยญาติโยมทุกทุกท่านได้รับทราบต่อไปและอันหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์สุใจท่านบอกว่าขณะนี้มีคนเข้ามาสู่วัดของเราก็มากตามลำดับการรักษาความปลอดภัยทรัพย์ ส, สินภายใน เ, เขตสงก่อนรู้สึกว่าผิดปกติอยู่บ้างเป็นบางครั้งแต่มคงจะไม่เสียหายอะไรแต่ว่าอยากจะให้พวกคณะทายาติโยมลูกหลานลงตาท่านก็รักษาวัดมาตั้งแต่นมนานถ้าว่าผู้ใดใครก็ตามเข้ามาในบริเวณศาลานี้ท่านจะไม่ให้เข้าไปในเขตสงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่างลูกหลานที่เป็นอุบาสิกาฝ่ายผู้หญิงท่านจะไม่ให้เข้าไปในหลวงผู้ชายก็เถอะท่านก็ไม่ให้เข้าไปในเขตสงฆ์ถ้าว่าผู้ใดอยากจะมารับยัดโยมก็มารับที่ศาลาแต่นั้นตามปกติแต่ น, นี้พวกเราก็คงจะยืดหยุนบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ควรจะเพ่นพ่านจนเกินไปพระอาจารย์จุดใจท่านก็บอกว่าอยากจะให้หลวงพ่อแจ้งข่าวให้แกลูกหลานที่มาในงานกราบคารวะศพ พระองค์หลวงตาของพวกเราขอให้มาถึงบริเวณศาลาถ้าไม่จําเป็นจริงถ้าไม่มีเรื่องที่จะ เ, เรื่องเราปรึกษาหรือว่าไม่มีใครนําเข้าไปก็ไม่ควรจะเดินเพ่นพ่านเข้าไปในเขตสงฆ์หลวงตาท่านเขียนไว้ที่หน้าวัดพวกเรากคงจะเห็นแล้วก็มีพระที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่ก็ให้ดูพระสงฆ์ที่มา ร่วมในงานองค์หลวงตานี่ก็คงจะดูถ้าเห็นผิดปกติก็ให้ดูใบสุทธิของละวัดประชาชนถ้าว่าบัตรประชาชนมีไหมใบสุทธิมีไหมถ้าเข้าไปข้างในก็ขอให้ทาหารตำรวจที่อยู่ข้างในคุช่วยช่วยดูอันนี้ก็คือความปลอดภัยของวัดพวกเรามาจากจากตุรทิีมาแล้วก็มาเสียหายแล้วมา เสียสิ่งของทั้งที่มาทาบุญมาสร้างบุญมาสร้างกุศลพวกเราก็มาเสียอกเสียใจเพราะามาถูกพิชฉชีพเข้ามาทำร้ายทำลายหรือว่ามาชกมาชิงพวกเราก็จะเสียใจเป็นนานเท่านานทั้งที่มาสร้างบุญกุศลก็องคหลวงตาเพราะนั้นไม่ควรจะมีนะคณะสัาาตยาิโยมทุกหมู่เหล่านะเรามาสร้างกุศลนะเดินเข้ามาในเขตวัดหรือเดินเข้ามาในบริเวณเนี่ยให้คิดว่าข้าไปเจ้า ส่วนอื่นข้าพเจ้าไปหาที่อื่นเรื่องเงินคําทรัพย์สมบัติแต่ตรงนี้มาสแสวงบุญมาทําบุญมาเสียสละเพราะหลวงตาเป็นผู้เสียสละทั่วโลกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินทองคําเท่าไหร่สงเคาะห์ประเทศชาติเท่าไหร่โรงพยาบาลเท่าไหร่อันนี้ถ้าพวกเราได้ศึกษาเรียนรู้แล้วนั่นแหละหลวงตาเป็นผู้เสียสละทําไหมพวกเราจึงเข้ามาแล้วจัง มาแสดงอกับกิริยาเ ห, เห็นแก่ได้เห็นแก่ของเล็กๆน้อยๆมาสร้างบาปในวัดของท่านอีกไม่สมควรอย่างยิ่งนะหลวงพ่อว่านะขอประกาศให้คณะสต า, า ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหลา่าลูกหลานทุกคนเนี่เดินเข้ามาในมากกราบศพ อ, อ, องหลวงตาก็เป็นบุญเป็นกุศลติดภพติดชาติพราอลงตาเนี่ยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วท่านบอกว่าเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่าน เน่ท่านพูดพูดอย่างชัดเจนขนาดนั้นละ่ะเพราะฉนั้นคณะสัตยาติโยมทุกโมงเหลา่าเข้ามากราบมาคารวะองค์หลวงตาเนี่ยมากราบศีลละของท่านอ่ากราบพระหัน์พูดง่้ง่ายเนีท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วเป็นบุญเป็นกุศลติดจิตติดใจเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เป็นเรื่องลามกจกเปรตในสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรจะทําในวัดปัญตาตแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะหลวงพ่อว่านะขอบอก ให้เป็นแนวความคิดของคณนธ์ศร้าย ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่า